เรื่องแนะแนวสมาธิเบื้องต้น นี่ตอนเช้าในอย่างราตรีเวลาที่ดึกๆดืนๆเช่นบ้านชาวเมืองเขาหลับกันหมดแล้วอากาศสงบท่านน่ะหนาวเหมือนกันกว่าตอนหัวค่ํา บอกที่ในโลกนี้เจริญสมาธิภาวนาอบรมจิต เหนื่อยจากการแผดเผาเร่าร้อน กิจจราณะวจักแจ้งอาสวะขยญาณพวก อือที่บริโภคเข้าไปมันก็ๆอ่ะเบาธาตุ เมื่อธาตุทั้งหลายมันสงบมันก็ตั้ง กายเว้นจิตกับตั้งจิตไว้ในกายมันก็ละอนกันถ้าตั้งจิตไว้ในกายมันก็ ที่ระคังมาดึกๆที่ 2 นึงที่ 2 นี่ก็มันก็เหมือนตี ตั้งจิตไว้ในกายจิตไว้ในกายแล้วแต่ๆนี่ให้ตั้งกาย กายํปิอิตฺเตสมาทหติตั้งกายไว้ในจิตนี่อันนึงนะจิตตํ<ว> กายมันจับเบาตั้งกายไว้ในจิตกับ ไว้ในกายอยู่ในกายก็คือปล่อยงอๆคอตกหลังสบายๆเรียกว่ายทาสุขังวิหารธะปล่อยมันไปตาม ไม่ค่อยจะได้ประโยชน์แต่ก็ได้ประโยชน์กว่านอนเฉยๆคือถ้านอนเฉย ที่นี้เราจะเจริญอานาปานสติ ดูลมหายใจก็ดูลมหายไม่ค่อยชัด สังติตาพุทธเจ้าของเราเห็นว่าเมื่อได้ตั้งกาย ถ้ามีสมาธิมีสติด้วยก็อ่อนอ่อนเหมือน เอาจิตประคองแบ่งพลังงานทางจิตมาประคองกระดูกหลังเอาไว้ ขอให้มันตรงตรงนี้มันยังไม่สะดวกนะมันจะ <c oughs> กายตรงตรงอย่างนี้ปริมรรคังสติอุปถะเปตวาดํรงสติไว้มั่นเฉพาะหน้าโสสตวะอสสติโสสตโอปสสติมีสติอยู่เช่นนั้นหายใจออก ในช่วงนี้เราป้องกันมึงให้มัน ให้ตามก็ไหลไปตามร่อง ในจิตนี่เป็นประคองกายร่างตัวตรงหัวตรงที่นี่ก็หายใจเข้าหายใจออกๆก็ยังดูยากนะตอนหยุดหยุด ศีรษะดันดันด้านเพ่งความรู้สึกลง แต่มองขาดเลือดมันก็จะหลับ ไหวๆๆรู้สึกว่ามันไหลเวียนตัวจะปล่อยให้มันงอ หยุดด้านหายท่อไปอีกด้านอีกทําหนปล่อยออกไปเอาก็มา 10 หน แล้วก็ปล่อยตามธรรมดาทีนี้ไม่ เอาลมหายใจสั่นตุ๊สั่นเข้ารู้รู้ความ มาริยะสัพปะกะตัวเปิดเผยชมหน้าออกมาดู ออกตามสบายจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เร็วแต่มันจะหัวหนักหน้าผากก็จัดความห่างความที่ของการออกไป ปฏิความรู้สึกก็รู้ที่ลืมตามันหลับหลับตอนนี้ถ้าเราหลับแล้วปล่อยลมตามธรรมดา ลมหายใจก็จรเลียดก็มีความสุขซ้อนขึ้นมาแต่ก่อนดูลมยาวดูลม ดูผู้รู้ว่ารู้ว่าทุกข์เริ่มก็เห็นอริยสัจเห็นของจริงไม่ใช่ทุกข์ๆทุกข์ป้อมๆที <c oughs> เมื่อเราดูดลมธรรมดาไม่ไม่ให้มันสั้นมันยาวฟรีสไตล์ปล่อย ถ้าจะดูเป็นอริยสัจก็จะเห็นอีกว่า เมื่อความสุขความสงบความเยือกเย็นนี่มันลดลงมันเปลี่ยนไปมันลดลงก็ สัตชื่นเกิดขึ้นความม่วงๆนั้น 4 5 ครั้ง 10 ครั้งก็แล้วแต่หลังจากก็มาดูมัน อ่ะดูมันเข้ามันออกตาม โดยยิ่งกองกายสังขารดินน้ำลมไฟ สีเขียวสีเลือนสีแดงเป็นดวงไหลผ่านไปไปเหมือนปุยเมฆเหมือนปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ำเหมือนตะวันกำลังขึ้นเหมือนแสงเหงาห้อยเหมือนใหญ่แมงมุมเหมือน ปมไม้ที่เคยติดตาติดใจในความรู้สึกลึกปล่อยมันไปดูมัน เออมันไปโดนไปพอสร้างมโนภาพเรียกว่าปฏิภาคนิมิตทําเครื่อง มันชาลองมันยูดแล้วก็สร้างมโนภาพพลักมันออกไปไกลๆดึงมันกลับมาใกล้ๆขยายให้ ไปรวมจะไปร่วมอันเดียวกันจนลืมภาวะของผู้ธรรมอยู่ตรงนี้ ภายในของจะเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อเรื่องนี้ไม่ต้องอธิบายก็จะ เหมือนตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําแวบถ้าไก่ฉิ่ง จิตมันสงบปรุงปะภายในแล้วจิตใต้สํานึกที่ 2 คนเหมือนมีตัว อารู้สึกอย่างนี้ก็ตื่นตื่นเต้นว่าอันนี้ตัว เนี่ยจุกนี่ก็หวั่นไหวบางทีอาจจะ แล้วก็ปล่อยออกไปให้เจอยาวเข้ามาก็รู้สึกตัวตัว ของกูจะมีแต่ตัวกูลอยออกไปลืมของกูอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นเราอีกคนหนึ่งออกผู้เห็นคนเห็นสัตว์เห็นสถานที่ๆ เมื่อจะเลยถอดไปเป็นผู้ผีปีศาจเทวดามันมันออกไปภายนอกพร้อมกับสมาธิแต่สติไม่ทันมันนี่ในขณะเดียวกันมันก็เกาะกลุ่มกันไปแอบทิ้งกันไปทิ้งตัวกูไว้ตรงนี้เนาะทิ้งของ เคยลืมว่า back to basic return to basic คืนสู่พื้นฐานคืน สติถ้าสติไม่มีสัมปชัญญะมันมันลื่อน เมื่อรูปมาตาก็ทํางานได้เห็นเมื่อตัวสงบ 4 ขันธ์ทิ้ง ให้ช่วยนี้ดูให้ดีๆถ้ามันไม่เป็นไรนะก็ชังมัน ศีลสุเธอจงเจริญสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจักรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็น เดี๋ยวมันเห็นเพียงลมหายใจก็ให้มันหือไว้มันเห็นเฉพาะลมหาย กายของเวทนาของจิตของธรรมทั้งหมดรวมอยู่ในลมหายใจ ยถาภูตังประจานติตามเห็นคือตามที่ ลงมา channel แล้วไปซะก่อนจังนี้เมื่อมันเป็นแล้ว ดูลมหายใจแล้วจิ๊บมันปวดอักมันไม่สงบสติปัมปัญญามิเลยก็ปล่อยลมเลยก็ได้ดูอาการที่มันนั่งอยู่ตรงนี้นิสสิโนวานิสสิโนมีประชานาติ ว่าความรู้สึกควบคุมตัวทั้งตัวเองนี้ตัวเองนุ่งอยู่เหมือนกับเป็นเป็นเป็นตะเกียงเป็นไส้ตะเกียงที่กําลังลุกอยู่แล้วเอาสติเอา มันครอบมันหันไกลสร้างอารมณ์รู้สึกสงบเยนี่ดูสอดซอก หือ